ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดเรื่องภิกษุฉัพพคีข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบภิกษุฉัพพคีตรัสพระธรรมเทศนานิว่ากายยปโกปังเป็นต้นตอน มูลบัญญัติการสวมเขียงเท้าความพิสดารว่าวันหนึ่งพระสัสดาทรงสดับเสียงขะตะขะตะแห่งภิกษุเหล่านั้นผู้ถือไม้เท้าทั้งสองมือสวมเขียงเท้าไม้จงกรมอยู่บนหลังแผ่นหินตรัสถามว่าอาอนนนนั่นชื่อเสียงอะไรกัน ทรงสดับว่าเป็นเสียงคตะคตะแห่งพวกภิกษุฉัพพคีผู้สวมเขียงเท้าไม้จงกรมอยู่จึงทรงบัญญัติสิกขาบทแล้วตรัสว่าธรรมดาภิกษุควรรักษาทวารมีกายทวารเป็นต้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้ทรงภาสิทธพระคถาเหล่านี้ว่า กายปโกปังรักเฮยะกายเณสุวตโตสิยากายดุจริตังหิตวากายเณสุจริตังเจเรวจีปกโกปังรักเฮยะวาจายะสร้างวุตโตสิยาวจีดุจริตังหิตวาวาจายะสุจริตังเจเรมนโนปโกปังรักเฮยะ มานาซาสร้างวุตโตศิยามะโนดุจจริตังหิตวามานาซาสุจริตังจเรกาเยณะสร้างวุตาธีราอโทวาจายสร้างวุตามานาซาสร้างวุตาธีราเตเวสุปริสร้างวุตาพึงรักษาความกำเริบทางกายพึงเป็นผู้สำรวมทางกาย พึงละกายทุจริตแล้วประพฤติสุจริตทางกายพึงรักษาความกำเริบทางวาจาพึงเป็นผู้สำรวมทางวาจาพึงละวจีทุจริตแล้วประพฤติสุจริตทางวาจาพึงรักษาความกำเริบทางใจพึงเป็นผู้สำรวมทางใจพึงละมโนทุจริตแล้วประพฤติสุจริตทางใจ ทีระชนทั้งหลายสัมรวมทางกายอนหนึ่งสัมรวมทางวาจาสัมรวมทางใจทีระชนเหล่านั้นแลชื่อว่าสัมรวมรอบคอบดีแล้วตอนแกะอัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากายปะโกปังได้แก่พึงรักษากายทุจริตสามอย่าง สองบทว่ากาเยนะส้างวุโตความว่าพึงห้ามการเข้าไปแห่งทุจริตในกายทวารสำรวมไว้แล้วคือมีทวารปิดแล้วก็เพราะบุคคลละกายทุจริตแล้วประพฤติกายสุจริตอยู่ชื่อว่าย่อมกระทากรรมนั้นแม้ทั้งสองอย่างฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่า กายดุจจริตังหิตวากายนณสุจริตังจเรแม้ในคาถาเป็นลำดับไปก็ในนั่นเหมือนกันปาพระคาถาว่ากายนณสร้างุตาธีราความว่าบัณฑิตเหล่าใดเมื่อไม่ทำกายดุจริตมีปานาติบาตเป็นต้นชื่อว่าสํารวมแล้วทางกาย เมื่อไม่ทำวจีทุจริตมีมุสาวาเป็นต้นชื่อว่าสํารวมแล้วทางวาจาเมื่อไม่ให้มโนทุจริตมีอภิชาเป็นต้นตั้งขึ้นชื่อว่าสํารวมแล้วทางใจบัณฑิตเหล่านั้นชื่อว่าสํารวมรอบคอบดีแล้วคือรักษาดีแล้วคุ้มครองดีแล้วมีทวารอันปิดดีแล้วในโลกนี้ ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุฉัพพคีจบ